พุทธศกรสองพันห้าร้อยสามสิบแปดพระพุทธเจ้าก็เน้นในสภาพจิตของคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีอยู่ห้าอย่างที่ควรทำให้ได้เสมอ น, นี่ตมาก็มาบอกซะด้วยพยายามทำใจให้มีคุณสมบัติห้าอย่างเนี่ย เพราะใจของเราเนี่ยเราเคยชินตกร่องเรามักจะปรุงแต่งในทางกังวนไม่สบายใจคุณมมวอยู่เลยเลยมันเลยมันเป็นธรรมดาของเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ใหม่แต่ต้องใช้เวลาหนึนะฝึกให้มันเป็นธรรมดาในทางที่ดีซะจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยเป็นนิสัยที่จะเคยสบายมีความร่าเริงเบิกบานมีความสุขท่านก็ให้ไว้ห้าข้อหนึ่งปลาโมด แล้วความรา่าเริงเบิกบานใจนะ ร, ร่าเริงเบิกบานทำใจให้รา่าเริงเบิกบานอยู่เสมอนี่ในคาถาธรรมบทอันหนึ่งบอกว่าปาโมดชาภุโลภิกขุโสนิพานนสเสวสันติเกอบอกภิกษุผู้มากได้ปาโมดคือความรา่าเริงเบิกบานใจชื่อว่าอยู่ในสำนักพนิพานว่าอย่างนั้นเลยนะอยู่ใกล้พนิพาแล้วนคนที่ใจรา่าเริงเบิกบานเนี่ยเพราะฉะนั้นทำใจให้รา่าเริงเบิกบานจนเป็นประจำใจเลยนะี หปลาโมดสองปีติอิ่มใจความอิ่มใจปรับปลืม้มใจทํางานอะไรก็ทําแล้วด้วความรักงานตั้งใจทํางานงานก้าวไปก็สวยสุขจากผลงานนั้นมีปีติอิ่มใจที่งานก้าวไปทุกขั้นปีติแลปะปัจสถานะปัจสถานะแปลว่าความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจไม่เครียดอันนี้แหละไม่เครียดแหละปัจสถานะต่อไปก็สุขสุขก็คือสภาพใจที่โปร่งโล่ ง, ลง คล่องไม่ติดขัดตรงข้ามกับทุกทุกแปล ว, ว่าบีบคั้นติดขัดขับคลองใจที่เป็นสุขก็ไม่มีอะไรมาบีบมาคั้นมาติดขัดก็โล่งโปร่งเบาสบายสุขแล้วก็สมาธิก็จิตสงบแนว่วไม่ถูกอะไรรบกวนไม่มีอะไรมารบกวนได้ใจต้องการอยู่กับเรื่องอะไรก็อยู่กับเรื่องนั้นสมาธิก็คือว่าต้องการอยู่กับเรื่องอะไรใจต้องการอยู่เรื่องอะไรก็อยู่กับเรื่องนั้นเรียกว่าสมาธิ ไม่มีอะไรมากวนได้คนที่มใจไม่มีอะไรมากวนได้ก็แสนสบายนะจะคิดอะไรก็คิดเรื่องนั้นถ้ามีสมาธิถ้าบอกว่าให้ห้าอย่างเนี้เกิดในใจอยู่เสมอๆแล้วใจเป็นสุขปรุงแต่งมาขึ้นมาเราปรุงแต่งในทางที่ทุกมานานแล้วจนกระทั่งจิตเคยชินเจนกระทั่งว่าไอ้ความทุกข์ความคุณโมวเศร้าหมองเป็นเจ้าเรือนไปแล้วต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ต้องค่อยๆสร้าง เราก็ค่อยสร้างให้เจ้าห้าอย่างเนี่ยมาเป็นเจ้าเรือนประจาใจซะคือให้มีปลาโมดมีปีติปัสสัทธิสุขสมาธิทำอยู่เสมอต่อไปใจก็ตายเป็นนิสัยเป็นสภาพจิตที่เป็นฝ่ายสุขนี่แหละสุขสร้างได้เพราะฉะนั้นก็ปรุงแต่งสร้างสรรความสุขขึ้นมาในใจทำให้เป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้คนมีช่องทางหาความสุขได้มากขึ้นและสุขชักอยู่ในใจแล้วนะตอนแรกในสุขต้องหา อยู่ข้างนอกต้องวิ่งหาอย่างเดียวตอนนี้สุขเริ่มอยู่ในใจเป็นคุณสมบัติภายในไม่ต้องหาแล้วแล้วตัวเองมีความสามารถในการสร้างมันขึ้นมาด้วยต่อไปก็ไปความสุขประเภทที่หสุขเหนือปรุงแต่งเนีเออเมื่อกี้นี่ต้องปรุงแต่งตอนแรกต้องหานี่บุ่นมากต่อมายังต้องปรุงแต่งต้องทำมันใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องทำละให้พ้นปรุงแต่งให้มันกลายเป็นธรรมดาเลยให้ความสุขนะั่นเป็นธรรมดาของจิต มันอยู่ภายในเป็นเจ้าประจำเป็นคุณสมบัติภายในมีตลอดเวลาอันนี้ต้องถึงด้วยการไม่ต้องปรุงแต่งคือได้ปัญญาปัญญารู้เข้าใจความจริงขอธรรมชาติรู้โลกชีวิตตามเป็นจริงรู้เจนจบพอรู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงทั้งจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันวางตัวพอดีกับทุกสิ่งเลยความรู้นั้นเป็นตัวปรับความรู้สึกเชื่อไหคนเรานี่ ชีวิตปุถุชนเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกมากมีความรู้สึกสุขทุกข์มีความรู้สึกโกรธรู้สึกเห็นใจชอบใจรู้สึกรักความรู้สึกเนี่ยเราก็พยายามเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกที่ดีนี่ปรุงแต่งใช่ไหมเราเปลี่ยนจากความรู้สึกไม่ดีมาเป็นความรู้สึกที่ดีแต่มันก็ยังอยู่ในระดับความรู้สึกความรู้สึกนี้ยังไม่มั่นคงอ่ะมันขึ้นต่อสิ่งอื่น ต่อมาพอมีความรู้ไอตัวร cool, cool, ู้มาปรับความรู้สึกทุกอย่างลงตัวหมดเลยคนเรานี yeah. ่พอมีความรู้ในความรู้มาปรับลงหมดเลยเราเข้าป่าเราหวาดกลัวโน่นนี่นะเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรพอเรารู้ทางนี้ทีไรรู้อะไรจะไรเราจะแก้ไขปัญหาได้ไงความรู้นี้ปรับความรู้สึกหายหมดเลยความรู้เป็นตัวปรับความรู้สึกและทำให้ทุกอย่างลงตัวพอดี ชีวิตที่เจนจบก็คือรู้โลกและชีวิตตามเป็นจริงวางจิตวางใจลงตัวพอดีกับทุกสิ่งสบายเปรียบเหมือนอย่างสารถีที่เจนจบในการขับรถนะสารถีที่เจนจบในการขับรถเป็นยังไงนะคนขับรถที่ยังไม่ชำนาญ น, นะใจไม่สบายใช่เนี่ยร้อนหลนกระบนกระวายหวาดหวัน่น จะขับรถออกไปมันวิ่งเข้าทางความเร็วอย่างนี้จะผิดจะพลาดจะแก้ยังไงวิตกงวลไปหมดทีนี้พอเป็นสนารถีที่ชํานาญรู้เจนจบเข้าใจทางออกอะไรหมดแล้วเจนจบจริงๆอย่างที่ว่าชํานาญขับรถนี่สบายแต่ปก่อนนี้ใช้รถมา้าก็ขับรถก็ชักรถอะไรใช้อะไรแท่ใช้บางเหียนดึงรถเข้าสู่ทางปรับความเร็วให้พอดีพอรถ พอมาวิ่งตรงทางดีความเร็วพอดีสารถีนั่งสบายสารถีนั่งสบายเลยนะนั่งใจสงบเรียบใชเลยสภาพจิตเนี้ยท่านเรียกว่าอุเบกขาเนี mm. เกิดจากปัญญาที่รู้ทุกสิ่งอะไรต่ออะไรทุกอย่างมันลงตัวเข้าที่พอดิบพอดีหมดแล้วจิตลงอุเบกขาสบายเรียบจิตแบบสารถีที่เจนจบ ขับรถทุกอย่างลงตัวพอดีนี่เรียกว่าจิตอุบเบกขาคนที่เข้าใจโลกและชีวิตนี่เจนจบวางจิตใจลงตัวพอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างใจสบายเป็นมีอุบเบกขาเป็นสภาพเจ้าเรือนของจิตใจต้องการจะสวยความสุขอะไรสวยสุขได้เต็มที่คนปุถุชนเนี่ยนะหนึ่งก็มีขีด จำกัดในการสวยความสุขเช่นว่าได้ความสุขช่องทางที่หนึ่งอย่างเดียวสุขจากการเสพวัตถุความสุขอื่นไม่มีสองจิตไม่พร้อมที่จะสวยความสุขนั้นเวลาสวยความสุขเหล่านี้ใจระแวงใจหวัดหวัน่นใจคุณโมเสาะหมองมันสวยความสุขไม่เต็มที่ดังนั้นยังมีข้อด้อยอันนั้นเนี่ยมนุษย์ปุตุช น, นี่มีข้อด้อยอันนี้แม้แต่สวยความสุขแม้แต่ขั้นยากที่สุดก็ยังมีจุดอ่อน มันสุขไม่บริบูรณ์ใจมันขุ่นมันมีอะไรละคายเคืองรบกวนอยู่นี่พอจิตของผู้ที่เจนจบชีวิตนะถึงอุบเบกขาขั้นสุดท้ายคราวนี้หนึ่งมีสิทธิสวยความสุขทุกขั้นที่ผ่านมานะโอสุขได้ตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเลยสองในการสวยสุขทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรละคายเคืองจิตใจเลยจิตใจ เปี่ยมบริบูรณ์สวยความสุขชนิดนั้นได้เต็มที่นะครัุตุชนต้องฝึกด้วยนะอันนี้ทีสวยความสุขอะไรต้องสวยความสุขนั้นอย่างจิตใจเต็มอิ่มด้วยทํากันไม่ค่อยได้จิตใจขุน่นโมวเราคลายเครื่องรบกวนหวาดวันอะไรก็ไม่รู้เพราะนั้นพอถึงสุขระดับที่5นี่มันสมบูรณ์ทั้งในแง่ที่ตัวเองสามารถสวยสุขได้ทุกระดับแล้ว2ก็สวยสุขแต่ละระดับนั้นเต็มอิ่มเลย นี่บริบูรณ์อย่างเงี้ยเลยพออันนี้ก็อยู่ที่ว่าเมื่อสามารถสวยความสุขเหล่านี้ได้เต็มที่แล้วเนี่ยตัวเองอยากจะสวยไหนหรือไม่สวยก็แล้วแต่และก็เป็นสิทธิของตัวนี่ผู้ที่พัฒนามาางนี้ตามลำดับเนี่ยมาถึงขั้นที่เรียกว่าโสดาบันเนี่ยจะมีสิทธิ์สวยสุข5้าขั้นครบพระโสดาบันนี้เป็นตัวอย่างคนที่สวยสุขครบห้าขั้นสวยสุขขั้นที่หนึ่งอามิต กามาสุขก็มีพระโสดาบันยังมีครอบครัวมีบุตรภันยามีสามีอยู่อย่างนางวิสาขาใช่ไหมเป็นโสดาบันสุก ข, ขันที่หนึ่งก็ได้สุก ข, ขันที่สองจากการให้กับพร้อมที่จะให้เต็มที่มีความสุขในการให้มีความพร้อมที่จะให้จนในทางวินัยต้องตั้งวินัยบัญญัติไวนะตระกูลใดที่เป็นผู้เสียสละบริจาคโดยไม่ได้มีการยับยั้งเลยเนี่ยท่านให้สงเนี่ย มาประชุมกันตั้งเป็นตระกูลหรือครอบครัวโสดาบันแล้วห้ามภิกษุไปรับอาหารภิกษุใดไปรับอาหารจากตระกูลโสดาบันถูกลงโทษเลยนะฮะเพราะว่าท่านพร้อมที่จะให้ตลอดเวลามีความสุขจากการให้แล้วมีความสุขอะไรอีกมีความสุขจากการดำเนินชีวิตถูกต้องตามกฎธรรมชาติมีความสุขจากการปรุงแต่งจิตใจได้สบาย แล้มีความสุขจากปัญญาที่รู้ความจริงของกฎธรรมชาติแต่ว่าอาจจะไม่เต็มอิ่มในข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี้ยังพร่องบางแต่ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ว่าได้ความสุขทุกขั้นและสวยสุขทุกขั้นได้อย่างดีที่สุดใช่ไหมนี่แหละพอคนเราพัฒนาและความสุขตัวเองก็ดีขึ้นชีวิตก็ยิ่งสุขมากขึ้นช่องทางสุขก็มากขึ้นและความสุขของตัวเองก็เกื้อกูลประสานกับเพื่อนมนุษย์ โลกร่อมเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนเลยความสุขไม่ต้องไปแย่งกันเลยและความสุขไม่ต้องไปหาด้วยเพราะความสุขนั้นอยู่ข้างในประจําในใจตลอดเวลาจะหาสุขข้างนอกก็เป็นส่วนประกอบเสริ ม, มใช่ไหมเป็นกําไรในใจก็มีความสุขอยู่แล้วสบายเลยฉะนั้นคนเราพัฒนาถูกต้องนี่แสนจะสุขไม่รู้จะพูดยังไงเพราะฉะนั้นพอเป็นพระอรหันต์ท่านเลยพูดว่าสุขจริงเนาะสุขจริงหนออย่างพระอ ร, ราหารันต์พระมหากัปถินะเนี่ย แล้วนะอุทานว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอนะเป็นอย่างนั้นนี่สุขขั้สุดท้ายนี่อัตมาพูดมาเป็นตัวอย่างแต่ว่ามันถึงจุดที่ว่าจิตมันลงตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นชีวิตที่เจนจบโลกนะทุกอย่างใจลงตัวหมดเป็นอุเบกขาเป็นเจ้าเรือนอย่างที่ว่าเป็นพื้นสงบเรียบเย็นสบายเหมือนสารถีที่เจนจบจัดเจนในการขับรถอย่างที่ว่าแล้วทุกอย่างลงตัวพอดีไปสบาย นีทีนี้มันมาถึงขั้นที่ว่าย้อนกลับไปเมื่อกี้เมื่อกี้อาจมาบอกแล้วว่าความทุกข์นั้นมันมาจากกฎธรรมชาติแล้วมันมาส่งผลต่อจิตใจมนุษย์เป็นทุกข์เพราะมนุษย์นี่ไปยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายวางใจไม่ถูกพอเรารู้เจนจบโลกเราชีวิตเข้าถึงความจรงิงกับสิ่งทั้งหลายได้ปัญญานาีก็กลายเป็นว่าเรารู้เท่าทันมัน มันจะถึงขั้นที่ว่าความทุกข์ที่มีอยู่ในกฎธรรมชาติในธรรมชาติก็เป็นแต่ทุกข์ในธรรมชาติไปตามเรื่องของมันเรื่องอะไรจะต้องมาเป็นทุกข์ในใจของเราด้วยใช่ไหมทุกข์ที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติในธรรมชาติ integral, ใครไปแก้มันได้มันเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุป so ัจจัยใช่ไหมนั่นมันเป็นธรรมชาติของมันแต่มันเป็นเรื่องอะไรเราปฏิบัติไม่ถูกเราเลยพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยใช่ไหมเลยทําให้ทุกข์ในธรรมชาติมาเป็นทุกข์ในใจ พอเรารู้ความจริงเท่าทันจบระวางใจถูกต้องทุกในธรรมชาติก็เป็นทุกในธรรมชาติไปตามเดิมตามเรื่องของมันไม่มาเป็นทุก์ในใจของเราใจเราเป็นอิสระเลยสบายเลยทีนี้นี่นี่เป็นอิสระอีกขั้นหนึ่งอิสระขั้นนี้ก็เปลี่ยนเหมือนอย่างมีกระแสสองกระแสแต่ก่อนนี้สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันก็มีกระแสของมันก็กระแสก็คือความเป็นไป สิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปตามกฎธรรมชาติตามเหตุปัจจัยมันก็เป็นธรรมดาเขามันอยู่แล้วนีสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นกระแสเขมันกระแสะเหตุปัจจัยในธรรมชาติทีนี้มนุษย์อยู่ดีไม่ดีไปสร้างกระแสะซ้อนเข้ามากระแสอะไรพอเราไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายเนี่เราก็ไปสร้างความปรารถนาขึ้นมาใช่ไหมเราไปยึดไปอยากต่อสิ่งนั้นเราก็สร้างความปรารถนาว่าขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างโน้น ไอาการที่จะให้สิ่งนั้นเป็นไปตามปรารถนาของเรามันก็เกิดเป็นอีกกระแสหนึ่งขึ้นมาทีนี้มันก็เกิดเป็น2กระแสก็คือกระแสในธรร ม, มชาติกับกระแสในใจคนกระแสในธรรมชาติก็คือกระแสความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยเรียกว่ากระแสธรรมหรือกระแสธรรมชาติหรือกระแสธรมรมพูดสั้นๆทีนี้ในใจคนก็มีกระแสความอยากความปรารถนาขึ้นมาเป็นกระแสของคนตอนนี้มีกระแสคนกับกระแสธรรมชาติ กระแสคนก็คือกระแสความอยากกระแสธรรมชาติก euh. ็ค er. ือกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งเดียวกันน่ะอยู่ในสองกระแสและสิ่งเดียวกันมันอยู่ในสองกระแสมันจะเป็นไปได้อย่างไรสองกระแสถ้าสองกระแสเนี่ยมันเกิดกลมกลืนไปมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างไรใจเราต้องการตรงกันหมดเรื่องนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดขัดกันล่ะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยในธรรมชาติอย่างหนึ่งใจเราปรารถนาอีกอย่างหนึ่งเกิดอะไรขึ้น สิ่งเดียวเป็นไปในสองกระแสนี่ไม่ได้ต้องเป็นไปตามกระแสเดียวแล้วกระแสไหนเป็นจริงกระแสที่เป็นจริงชนะคือกระแสอะไรกระแสเหตุปัจจัยใช่ไหมกระแสธรรมชาติชนะเพราะกระแสกฎธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยชนะกระแสความปรารถนาในใจของเราก็ถูกขัดแยงขัดแย้งก็เกิดการปะทะกระแทกกันปะทะกระแทกกันก็เกิดเรื่องเลย เราก็แพนแี่กระแสในใจของเราแพ้ใช่ไหมเราก็ถูกกดถูกปีบเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของมนุษย์กระแสคนกระแสธรรมไม่ประสานกลมกลืนขัดแย้งการปะทะกระแทกกันยุ่งอ้าวทีนี้พอเราพัฒนาคนขึ้นมาพัฒนาคนคืออะไรพัฒนาปัญญาเนีเมื่อกี้อยู่เด็ดันหาอาวิชาเด็ดความไม่รู้เด็ดจันหาอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้โดยไม่รู้เรื่อง ทีนี้พัฒนาปัญญาก็พัฒนาความรู้พัฒนาความรู้รู้อะไรล่ะก็รู้ความจริงของสิ่งนั้นสิ่งท่านั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็รู้เหตุปัจจัยของมันมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยพอปัญญาเกิดขึ้นก็เกิดกระแสใหม่กระแสในใจคนคราวนี้เปลี่ยนจากกระแสความอยากหรือกระแสตัณหามาเป็นกระแสปัญญากระแสปัญญาก็รู้ความจริงตามกฎธรรมชาติสิ่งนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่างไรปัญญาก็รู้ตามนั้นใช่ไหม มันก็รู้สอดคล้องกันดังนั้นกระแสะในใจคนคือกระแสะปัญญาก็เลยสอดคล้องกับกระแสะธรรมชาติกระแสะเหตุปัจจัยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันทราวนี้หมดเรื่องเลยนี่แหละพอคนเราพัฒนาปัญญาขึ้นมากระแสะคนกับกระแสะธรรมชาติกลายเป็นกระแสะเดียวกันกลมกลืนธรรมชาติเหตุปัจจัยเป็นไปนยังไงเราก็รู้ตามนั้นเราก็ไม่ค่อยมีความทุกข์เราก็สบายใจเนี ในอันหนึ่งที่จะได้ก็คือเราจะทำการได้ผลขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราเราจะให้มันเป็นอย่างไรเราต้องการอย่างไรเราต้องไปทำตามเหตุปัจจัยใช่จะมานั่งอยากนั่งนึกเอาไม่ได้เราก็อ้าวย่างงั้นเราก็ศึกษาเหตุปัจจัยเราต้องการให้สิ่งนี้เป็นอย่างไรบอกว่าจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราศึกษาเหตุปัจจัยเราก็ทาที่เหตุปัจจัย เราก็ทําสําเร็จเราต้องการสร้างผลสําเร็จอะไรเราก็ทําตามเหตุปัจจัยก็สําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นมีชีวิตยอยู่อย่างดีคือใจก็เป็นสุขทุกน้อยเวลามันไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการเราก็ศึกษาด้วยปัญญารู้เท่าทานอ๋อนี่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราสร้างเหตุปัจจัยไม่ครบอันไหนหรือเหตุปัจจัยไหนเราไม่รู้พ อ, เ, อเราก็ไปศึกษาค้นคว้าแก้ไขซะหรือว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยปัจจัยตัวอื่นเข้ามาเราก็รู้เราก็ทุกน้อย แล้วก็แก้ไขได้ดีเราก็ทํางานได้ผลนะตกลงวันเนี่ยเรื่องของกระแสขนกระแสธรรมก็มากลมกลืนประสานด้วยการพัฒนามนุษย์ให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญารู้เท่าทันจึกระทั่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ความทุกข์ในธรรมชาติก็ปล่อยให้มันอยู่ในธรรมชาติไปใจเราไม่พลอยเป็นทุกข์ด้วยก็มีความสุขตลอดเวลาความสุขนั้นก็เป็นสมบัติประจําใจอยู่ในตัวเองตลอดทุกเวลาไม่ต้องหาตอนนี้แหละ ก็อธบายแล้วว่าเสวยสุขก็มีความสามารถสวยสุขได้ทุกช่องทางอยู่แล้วก็อยู่ที่ตัวเองจะต้องการไหมแต่รวมความว่าเป็นสุขที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงปฏิญาณพระองค์ได้ว่าพระองค์เป็นผู้มีความสุขที่สุดก็ขอเล่าซ้ำอีกทีเคยเล่าบ่อยๆว่าเคยมีคนหนึ่งก็ไปพบพระพุทธเจ้าก็คงเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่ทําไมสละเงินทองวังที่อยู่สบาย มาอยู่ลําบากอยู่กลางดงกลางป่าเดินจาริษพระบาทเปล่าไป็นที่สั่งสอนประชาชนมองในสายตาของเขาี่พระพุทธเจ้าเนี่แสนจะลําบากมีความทุกข์เยอะก็เลยมาว่าพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยพระองค์ทําไมมาอยู่งี้ม่มีความสุขน่าจะหาความสุขซให้เต็มที่อยงนั้นนะพะพุทธเจ้าก็ถามย้อนกลับว่าเออแล้วเธอเห็นว่าใครมีความสุขกฉันล่ะอย่างนั้นนะแล้วพอถามอย่างนี้ในคนนั้นก็ชักงงกันนะใช่ไหม ตอนแรกมองข้างเดียวมองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยลําบากทุกข์ขอถามอย่างนี้เขาก็คิดเอเอาใครมาเทียบดีว่าสุขกับพระพุทธเจ้าเขาก็วัดได้มาตรฐานของเขาเขาก็นึกว่าอ๋อพระเจ้าบิดดินซีมีทุกอย่างครั่งพร้อมใช่ไมีกุศลบัติ ม, ม, ตมีอํานาจเต็มที่ก็เลยออกว่าพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคตเนะี่ยมหาอํานาจเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่มีความสุขกว่าพระองค์อันะนี่ย พระพุทธเจ้าก็ตัดบอกว่าอ้าวเ อ, เ, อ, เ, อเราสามารถบอกได้เลยว่าเรามีความสุขกว่าพระเจ้าผีพิสาเศษานั้งน่ะพระพุทธเจ้าตัดย์ว่าอย่างนี้อา้าวแล้วจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าใครสุขกับกันล่ะมันยากใช่ไหเน่ะเอาอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าจะสุขกว่าพระเจ้าพิพิสานพระพุทธเจ้าก็เลยเอาวิธีนี้ตัดว่าอ่ะเอานี้กันละกันคือพระพุทธเจ้าปกตินี้พระองค์ไม่ได้หยุดล่ะ ตอนเด็จจาริกไปที่สั่งสอนประชาชนเรื่อยพระองค์ก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเนี่ยเรานะจะอยู่เฉยๆนั่งสวยความสุขทั้งวันทั้งคืนก็ได้ <Yeah. S 2> พระเจ้าพิพิสานทําได้ไหมเงี้ย <Yeah. S 2> ในคนนั้นยอมเลยเนะี่ย <Yeah. S 2> พระเทเจาบอกว่าเราจะอยู่เฉยๆนั่งสวยความสุขทั้งวันทั้งคืนก็ได้ <Yeah. S 2> แต่ที่พระองค์ไปทําอะไรพระองค์ก็สุขตลอดเวลานะพระองค์ไม่ได้ทุกข์คือสุข หมายความว่าสุขมันอยู่เป็นคนุณสมบัติในใจและตลอดทุกเวลาอยู่แล้วนั่นจะอยู่เฉยที่จะทำไรมันก็สุขใช่ไหมนี่พระเจ้าพิมิสารไม่ได้มีความสุขอยู่ในตัวพระองค์นี่ความสุขมันขึ้นต่อสิ่งเเสพใช่ไหมก็จะมานั่งสวบุญสุขยังไงเราต้องไปหาสิ่งเเสพไปเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจึงจะสุขตกลงในคนนั้นยอมแพ้ <laughs> เพรนั้นว่านี่ตัวอย่างวิธีพิสูจน์แต่พระพุทธเจ้ า, าเป็นผู้มีความสุขบริบูรณ์พระองค์ก่อนที ปฏิญาณพงได้แต่เะเอาแค่โสดาบันก็พอแล้วโสดาบัลเนี่ยได้สุกครบทั้งห้าประเภทนะูุ้ชนทั่วไปนี่เดี๋ยวนี้ไปเน้นข้อที่หนึ่งกันมากใช่ไหมบางทีไปติดอยู่แค่หนึ่งก็ไม่พ้นแล้วแย่แล้วก็เลยต้องเสวยโทษอะไรแต่ไรข้อบอกพร่องจากอันที่หนึ่งนี้พัฒนาขึ้นมาให้ได้อย่างพระโซดาบันให้ได้ความสุกห้าขั้นแล้วเสวยทุกขั้นอย่างที่เรียกว่าเต็มอิ่มด้วยนะ ไม่มีละคายเคืองไม่มีสิ่งลบกวนใช่ไหมพราะนั้นผู้ที่พัฒนาตัวอย่างดีแล้วเนี่ยก็มีความสุขดียิ่งขึ้นไปแล้วแถมเป็นความสุขที่เกื้อกูลต่อสังคมมนุษย์ด้วยเราสุขชีวิตเราดีก็ยิ่งทำให้ผู้อื่นสุขไปด้วยแล้วอย่างพระพุทธเจ้าพอสุขเต็มที่ก็เป็นคนบริบูรณ์เต็มอิ่มพอเป็นคนบริบูรณ์เต็มอิ่มแล้วดียังไงอีกล่ะนะอ้าวดีทีนี้ทีก็คือว่า ถ้าเรียกว่าไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองอีกต่อไปใช่ไหมเป็นคนที่พัฒนาตนเต็มอิ่มบริบูรณ์แล้วคนอื่นนี่มันยังต้องหาต้องทําเพื่อตัวเองแม้แต่ว่าจะหาความสุขมีความสุขก็เพื่อตัวเองนี่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์มีความสุขอยู่ในตัวเต็มบริบูรณ์เป็นประจำเป็นธรรมดาแล้วไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองอันนี้คือลักษณะของพระอรหันต์พระอรหันต์คือบุคคลที่ บรรลุประโยชน์ตนแล้วไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองอีกต่อไปพอไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองอีกต่อไปครั้นี้ทํำยังไงล่ะพลังชีวิตที่เหลืออยู่ก็ทําเพื่อผู้อื่น พ, พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็เลยออกเดินทางจะลิกไปตัวเองก็มีความสุขตลอดเวลาก็ไม่ต้องไปกลัวทุกข์อะไรนี่เนีก็ไปเดินทางไปสั่งสอนหาทาํทาให้คนอื่นมีความสุขก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสุข ข, ของมนุษย์ของหูชนใช่ไหมดฉะนั้น คติของพระอรหันต์จรึงบอกว่าจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนจำนวนมากนี่คือคติของพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองก็ทําเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกก็เลยเรื่องก็เป็นอย่างเงี้ยก็ยิ่งชีวิตที่ดีงามยิ่งสุขสมบูรณ์ก็ยิ่งเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชาวโลกมากเท่านั้นนี่คือการพัฒนาความสุขที่ถูกต้องนอกจากตัวเองจะสุขไร้ทุกข์แล้วยังแถมช่วยโลกให้หายทุกข์มีความสุขมากขึ้นด้วย มีต่ดีเท่านั้นเองขณะพระพุทธเจ้ากับจาริกไปอย่างที่ว่าเนี่ยไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองเก่งกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี้ยังต้องทําเพื่อตัวเองใช่ไหม ย, ยังต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้สมบูรณ์ยังต้องทําความดีได้ปณิฐานต้องตั้งใจทำนะพระโพธิสัตว์เนี่ยคือต้องปฏิญาณว่าเราจะบำเพ็ญบารมีนี้เขาเรียกว่าตั้งปณิฐานว่าจะทําความดีนี้ให้เต็มที่ยอมสละแม้กระทั่งชีวิต เพื่อจะทําความดีนั้นไม่เห็นกับตัวเองแต่พระอาหารหันต์นั้นท่านไม่ต้องมีปณิธานท่านทําไปตามธรรมดามันเป็นธรรมชาติของท่านอย่างนั้นแงเก่งกว่าพระโพธิสัตว์และนั้นนี่แหละคือการพัฒนามนุษย์นี่ก็บอกแล้วว่าทาวนี้จะสวยความสุขไหนกันแล้วแต่ชอบสิพราะเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เหมือนพระโสดาบานันพระโสดาบาันยังสวยสุขทั้งห้าขันพราะเป็นพระอรหันต์ปรากฏว่าท่านมีสิทธิ์สวยแต่ว่าท่านไม่สวยความสุขขันตน้น เพราะอะไรเพราะจิตใจท่านพัฒนาขึ้นไปจึงกระทั่งว่าทั้งๆ ท, ที่มีสิทธิ์แต่เป็นเรื่องของท่านเองใจท่านพอใจอย่างนั้นก็เลยมีข้อเปรียบเทียบอาตามาก็เปรียบเทียบให้ฟังมาในพระสูตรท่านบอกว่าอย่างเด็กเกิดใหม่ทารกตอนแรกนี่เล่นมูดเล่นคูดของตัวเองมีความสุขสนุกสนานในการเล่นคูดเล่นมูดจริงไหมเน่ยจริงยังไม่เลยลออก่อนหัวเรา อ, อกึออกอึกอักน่ยมีความสุข พอโตขึ้นมาหน่อยมีความสุขไหมจากการเล่นขูดเล่นหมุดของตัวเองไม่มีใช่ไหมเนี่ยต่อมาพอเป็นเด็กโตหน่อยก็มีความสุขจากการเล่นของเล่นเนี่รถเล็กเรือเล็กเครื่องบินเล็กอะไรต่างๆเอามาเล่นโอยแล้วก็ติดใจแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นในของรักของหวงของตนเนี่ยของเล่นเนี่ยนะเด็กมีความสุขจากสิ่งนั้นมากแต่ห่วงมากนะบางทีแทบจะเป็นจะตายเลยนะ ลองใครไปแย่งสิใช่ไหมไปแย่งของเล่นของเขามาเขาจะมีความทุกข์มากร้องไห้จะตายอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็มีความสุขกับของเล่นต่อมาพอโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพอไปเห็นเด็กเล่นอย่างนั้นไม่รู้สึกว่าจะเป็นสุขเลยใช่ไหมนะถ้จิตใจมันพ้นไปแล้วพัฒนาเลยไปนี้พอเห็นเด็กเล่นก็ขำสนุกแต่เราขำจากการพฤติกรรมของเด็กเราไม่ได้สุขสนุกด้วยนะนี่ก็เช่นเดียวกัน พอจิตใจพัฒนาไปขั้นหนึ่งก็มองไม่เห็นความสุขจากการสเสวยสิ่งที่มนุษย์ปุตุชนได้ประสยอีกต่อไปน่ก็จะเป็นการพัฒนาของจิตใจไปเป็นขั้นๆและก็เลยมีคําเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งว่าความสุขของมนุษย์ปุตุชนนั้นท่านเปรียบว่าคนที่พัฒนาจิตใจสมบูรณ์เนี่ยก็เหมือนกับคนที่ร่างกายสมบูรณ์ คนที่มีสุขภาพสมบูรณ์นั้นเป็นคนมีความสุขและพร้อมที่จะสวยความสุขทุกอย่างอยู่ที่เขาจะสวยสุขใดหรือไม่ใช่ไหมถ้าเขาสวยสุขใดเขาสวยเต็มเปี่ยมคนที่สุขภาพแข็งแรงดีเนะี่ยทีนี้คนที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนี่เนะี่ยก็มีความสุขในตัวเองเลยแต่คนที่ยังเป็นโรคอยู่มีความสุขในการที่จะได้ผ่อนคลายจากโรคด้วยใช่ไหม แต่คนที่ร่างกายสมบูรณ์นี่เขามีความสุขในตัวเองความสุขโดยที่ไม่มีโรคกับความสุขจากมีโรคต่างกันอย่างไรก็จะยกตัว อ, อย่างเช่นว่าท่านก็ยกตัว อ, อย่างคนไปโรคเรื้อน<ม>คนไปโรคเรื้อนนี่คันนะอันนี้แกก็หาความสุขหนึ่งการเกานะเกาไปแล้วก็มีความสุขจากการเกานะยิ่งกันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งคันนะก็มีความสุขจากการเกา แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าชอบผิงไฟร้อนขนาดคนธรรมดาผิงไม่ได้ไปย่างตัวท่านใช้คําวมาไปย่างตัวคนเป็นโรคเรื้อนนี่ไปย่างตัวกับไฟให้ใกล้ๆร้อนแล้วมันสบายนะเพราะมันแสนทรมานในโรคเนี่ยไฟไปได้หนึ่งเกสองย่างไฟแล้วมันมีความสุขนี้ต่อมาคนที่เป็นโรคเรื้อนนั้นหายจากโรคร่างกายสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว คราวนี้การเก่าก็ตามการย่างไฟก็ตามเป็นเครื่องหาความสุขของเขาอีกต่อไปหรือไม่ไม่แล้วใช่ไหมลุงบอลเขามีร่างกายสมบูรณ์แล้วเป็นความสุขในตัวไม่ต้องไปหาความสุขจากการเก่าที่ขันจากการย่างไฟเพราะฉะนั้นความสุขของมนุษย์บุรุชนนั้นเปรียบเทียบกับความสุขของพระหัต์ก็เหมือนกับคนที่ยังเป็นโลกกับคนที่มีร่างกายสมบูรณ์สุขภาพ กายสมบูรณ์ชั้นใดสุขภาพใจสมบูรณ์ก็ฉันนั้นพระอรหันต์เป็นผู้มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ความสุขเต็มเปี่ยมความสุขของมนุษย์บุรุชนก็ เ, เรียกว่าเป็นความสุขจากการเก่าที่ขั น, นส่วนพระอรหันต์เป็นผู้มีความสุขจากการไม่มีที่ขันจะต้องเกา่าอ้าวนี่แหละก็เป็นความแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของพัฒนาการของมนุษย์ที่เรา เข้าใจแล้วว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเองไม่ใช่เรื่องอะไรพิจิตตพิสดารพระพุทธเจ้าสอนธรรมะจากความจริงที่ทรงประสบอันนั้นอันนี้ก็เลยนํามาเล่าให้ฟังว่าพัฒนาขึ้นไปแล้วมีแต่ดีตัวเองก็มีความสุขมากขึ้นช่องทางความสุขก็มากขึ้นสวยความสุขก็เต็มบริบูรณ์ยิ่งขึ้นความสุขนั้นก็เกื้อกูลกับสังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันดีขึ้นธรรมชาติแวดล้อมก็ปรับตัวเข้ามาสมานกลมกลืนสอดคล้องกันดีขึ้น ก็เป็นความสุขขั้นที่ห้านี่คือความสุขที่ไร้ทุกข์ก็จบและสิ้นีนี้เรียบยแต่ว่าก่อนจะจบก็ขอเติมคําเตือนนิดหน่อยสําหรับคนที่เดินทางไปสู่ความสุขมีความสุขทุกขั้นตอนจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นหลุมดักอยู่ต้องระวังมาหลุมดักบุคคลที่มีความสุขนั้นเป็นหลุมดักเดียวกันกับหลุมดักคนที่ประสบความสําเร็จ คนที่ทําความดีทั้งหลายเราอุตส่าห์สอนคนให้เว้นช่วยทําความดีให้ก้าวหน้าประสบความสําเร็จขยันหมั่นเพียรเป็นต้นสอนกันไปนักหนาแต่คนที่ก้าวหน้าประสบความสําเร็จมีความดีงามความสุขนั่นแหละในที่สุดมันตกหลุมดักอันใหญ่หลุมนี้คืออะไรหลุมนี้คือความประมาทนะเพราะฉะนั้นถ้าจริงต้องสอนอันนี้กันไว้ก่อนคนที่มีความสุขไม่ว่าระดับไหนเนี่ยตกหลุมความประมาทได้ทั้งสิน้น เพราะอะไรเพราะความสุขนี่มันสบายพอคนเราสบายก็มีความโน้มเอียงที่จะนอนใจไม่กระตือรือร่นไม่ขนขวายไม่ดินน้นรนตรงข้ามกับคนที่มีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามาทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ลุกขึ้นดินน้นรนขนขวายนียปุถุชนจะเป็นอย่างเงี้ยพอสบายขึ้นมาเรียบร้อยก็ น, นอนใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจา้าจึงต้องสอนหลักความไม่ประมาทไว้กัน ว่าคนที่มีความสุขประเภทที่หนึ่งอ้าวพอสุขปั๊บทั้งพร้อมวัตถุสังคมก็ตามครอบครัวก็ตามอายธรรมก็ตามมักจะมาเจอจุดเนี้ยพอพร้อมสุขสบายก็ลุ่มหลงมัวเมาสังคมอารยธรรมก็เริ่มเสื่อมลงอีกใช่ไตระกูลก็เสื่อมอย่างพ่อแม่ CPU, bleiben, ciamo, ไม่ฝึกลูกให้ดีเนี่ยไม่ให้รู้จักรับผิดชอบตัวเองบำรุงบำเลอตามใจกลายเป็นคนอ่อนแอ รุ่มหลงเพลิดเพลินมัวมาในความสุขก็ตระกูลก็เสื่อมอันนั้นอะไรต่อะไรก็ตามจเจริญขึ้นมาแล้วมักจะวงจรเสื่อมจเจริญขึ้นเพราะเรื่องเนี้ยนะพอทุกบีบคั้นภัยวุ่ความก็ดิ้งลนข้นขวายกระตือรือล้ลนสร้างสรรค์พอประสบความสำเร็จสะดวกสบายก็นอนใจเพลิด เ, เพลินสเสวยความสุขแล้วก็เสื่อมบนเวียนอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ตกวงจรนี้ก็องก็ใส่ความไม่ประมาทเข้ามาเลย พอแท้ความไม่ประมาทเข้ามาก็เป็นตัวกันเสื่อมให้เจริญอย่างเดียวไม่ต้องเสื่อมเนีอันนี้ก็เอาแล้วทีนี้คนที่สุขจะเสื่อมสุขจากวัตถุพังพร้อมสุขจากใจสบายปลงใจได้อย่างคนบางคนง น, นี่ปลงอนิจจังได้ใช่ไหมพอสบายใจปลงอ น, นิจจังได้ค่าวนี้ไม่ขนขวายปัญหาไม่แก่เสร็จจบอีกเนะีเสื่อมอีกอ น, นั้นสมาธิเหมือนกันพอว่ามีปัญหา ยุ่งวุ่นวายในชีวิตประจําวันในสังคมมานั่งสมาธิสบายพอนั่งสมาธิสบายก็ติดสมาธิอีกสมาธิพระพเจ้าเจ้าไอ้ธรรมะท่มมานก็นสอนไปนะสิ่งทั้งหลายมีทั้งคุณทั้งโทษสมาธิมีคุณอย่างไรสมาธิมีโทษอย่างไรสมาธิท่านบอกโทษไว้อย่างหนึ่งสมาธิเป็นเหตุให้เกิดโกรธสัจฉะแปลวความขี้เกียจเท่านั้นดะนั้นสมาธิก็สบายพอสบายก็ขี้เกียจนะขี้เกียจนอนใจผัดเพี้ยนไอ้เรื่องที่แก้ปัญหาไว้ก่อน วันนี้ขอนั่งสมาธิให้สบายก่อนไม่เอาแลนะเนี่ยผัดเพี้ยนก็เลยสมาธิความสุขจากสมาธิก็เป็นตัวทำให้ประมาทได้เพราะนั้นหลุมดักคนที่มีความสุขก็คือความประมาทเพราะฉะนั้นต้องระวังพุทธเจ้าก็สอนไว้เลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จทำความดีก้าวหน้ามีความสุขเนี่ยอย่าได้ตกในความประมาทเป็นอันขาดแม้แต่พระโสดาบันพระสกทาคามี ปฏิบัติทําได้บรรลุความสําเร็จได้บรรลุคุณวิเศษเกิดความภูมิใจขึ้นมาเกิดความภูมิใจก็เกิดสันโดษสิสนโดดพอใจมีความชื่นใจในผลสําเร็จพระพุทธเจ้าจัดแล้วจัดเตือนบอกเธอนี่ประมาทเ ท, เทวิหารีแล้วว่างั้นนะประมาทเทวิหารีแปลผู้อยู่ด้วยความประมาทว่ากระทั่งพระนิยบุคคลนะขนาดพระโสดาสกทาคา ม, มีไม่พ้นนะคตกอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าเตือน อาจะไปยินดีพอใจกับผลสำเร็จเท่านี้ไม่ได้ต้องก้าวต่อไปนะเพราะฉะนั้นจึงมีคาถาเตือนเรื่องเรื่องไม่ประมาทบอกภิกษุแม้จะเป็นปะหูสูตรคงแก่เรียนในรู้ธรรมวิ น, นัยบำเพ็ญสมาธิได้าญเป็นผู้มีความสุขจากเนคขมมะอะไรก็ตามตราบใดที่ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะอย่าได้ถึงความนอนใจว่ามันไม่มียอมให้หยุดหรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอันว่าต้องก้าวต่อไป เพราะเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมถอยจากกุศลธรรมเราสรรเสริญอย่างเดียวแต่ความก้าวหน้าต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลายนี่จัดอย่างนี้แล้วพระ เ, เจ้าสอนว่าให้สันโดษในวัตถุสิ่งเสพแต่สอนให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายใช่ไหมลูกบอพอสันโดษในสิ่งเสพปั๊บ เราก็สงวนเวลาแรงงานและความคิดไว้ได้เราไม่เอาเวลาไปยุ่งกับการหาสิ่งเเสพไม่หมวกขุ่นคิดว่าพ่กนี้จะไปหาความสุขที่ไหนอะไรแต่อะไรเราไม่ไปยุ่งกับเรื่องการหาสิ่งเสบบารุงรตัวเองเรามีความสันโดษในสิ่งเสพเราก็สงวนประหยัดออมเวลาแรงงานและความคิดไว้ใช่ไหมเสร็จแล้วท่านก็ให้ไปทุ่มกับการไม่สันโดษในกุศลธรรมเราก็มีเวลาแรงงานและความคิด เอาไปทําความดีสร้างสารรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้มากอันนั้นท่านก็ตรัสไปคู่กันว่าสันโดษในสิ่งเสพแต่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมมันก็รับกันโกลมกลืนไปก็ไม่ประมาทเลยใช่ไหมไปประมาทก็เดินหน้าไปแล้วก็สร้างสารร์พัฒนาความสุขก็เลยเข้าหลักที่พูดไว้ตอนต้นแต่ตกลงก็ตอนนี้ว่าเตือนไว้ก็คือว่าให้ไม่ประมาททําให้ประมาทแล้วมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมลหลักธรรมพุทธศาสนานี่มันย้อนกันในตัวนะ สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแล้วต้องดับเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาแต่ถ้าท่านไม่ประมาทแล้วมีแต่เจริญไม่มีเสื่อ ม, มนะอย่างหลักธรรมอปริหานี้ธรรมพระพุทธเจ้าจัดไว้บอกว่าบอกว่ามีแต่วุ ธ, ธิเยวปาจิกังโขโนปริหานิแปลว่าพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยพระพุทธเจ้าจัดอย่างนี้เลยนะ ถ้าคนเราปฏิบัติทํามไม่ประมาทเพราะนั้นเอาอ น, นิจจังมาใชใ้เป็นประโยชน์จะไปกลัวเสื่อมไม่ไปคิดบอกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมเป็นธรรมดาระวังนะถ้าปรงไม่ดีนี้ผิดหลักความไม่ประมาทนะเพระนั้นอ น, นิจจังทุกขนานัตตาเป็นกฎธรรมชาติแต่มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางจเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้จเจริญหรือเสื่อมเป็นเรื่องของมนุษย์ตกลงเอาใช่ไหม ม น, มนุษย์ต้องการความเจริญก็ทําให้มันเปลี่ยนต่อไปแต่เปลี่ยนไปนในทางที่ดีใช่ไหมไม่ให้เปลี่ยนไปนในทางที่เสื่อมเพรา ะ, ะนั้นพระเจ้าก็สัตในสงังสารธรรมว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังเกิดดับเกิดแล้วต้องดับแต่ในทางจริยธรรมบอกว่าตั้งอยู่ในความประมาทมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมแล้วไม่ขัดกันเลยสองหลักนี้นนั้นเราต้องสร้างความเจริญได้ด้วยความไม่ประมาทตกลงว่าก็เข้าวิธีปฏิบัติ ตามหลักที่ว่าไว้ข้างต้นสี่ข้อสรุปปิดท้ายสัทีนหนึ่งก็คือว่าอย่าเอาทุกทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ใช่มเ้ยเลยสองไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่ลุ่มหลงหมกมุนมัวเมาสี่พยายามเข้าถึงความสุขที่ประนีตขึ้นไปแล้วต่อท้ายก็ได้จนกว่าจะถึงสุขสมบูรณ์ที่ว่าเมื่อกี้ที่ว่า เป็นสุขขั้นที่ห้าเป็นสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งมีอยู่ประจําใจเต็มอิ่มในตัวที่ทำให้บุคคลนั้นไม่ต้องทำอะไรเพื่อตัวเองอีกต่อไปเพราะไปทำทาไมตัวเองสุขสมบูรณ์ตลอดเวลาแลวก็จบเรยพ อ, อตกลงว่าไม่รู้พูดยาวเท่าไรเลยนะเกินเวลาไปเยอะและ้วเลยบอกก็เอาละก็ขอโมทนาไม่ทราบจะมีเวลาคุยกันอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีเวลาคุยก็ต้องปิดรายการ